ว่าออการนั่งแบบสมาธิชา้าอยูนี่ยนคะ่ะมีความจําเป็นว่าแค่ไหนกับระยะเวลาในการนั่งว่าควรต้องนั่งนานหรือนไม่นานจําเป็นไหมต้องนั่งนานหรือแค่ว่าเราอาจจะนั่งแค่สิบนาทีไปได้แล้วจําเป็นแล้วาการนั่งเนี่ยเราจะควรที่จะนั่งเป็นการวิัสแบบสน า, านคือดูดูวิถีหรืออิไรก็ ไ, ได้ไม่ใช่แค่นั่งเอาสมาธิอย่างเดียวมันไม่บังคับนั่งนานแค่ไหนมันแล้วแต่ ความสะดวกของแต่ละคนอย่างของเราเนี่ยชีวิตประจาวันมันไม่มากเอเวลาไม่มากเท่าฤสีฤสีท่านอยู่ในปา่าท่านนั่งชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันวันก็ได้แต่เราเนี่ยมันมีกิจกรรมของชีวิตบีบคั้นให้ต้องทำเลยนะนั่งนานถ้าไม่มีเวลาแล้วพอไม่ได้นั่งก็เลยไม่ได้ทำแล้วก็แบ่งนานไม่นานเนี่ยกลับไม่สาคัญนะสำหรับพวกเรานะ นานไม่นานไม่สำคัญสคัญคือประจำทำทุกวันทำเป็นประจำอันนั้นสำคัญกว่าเอาเวลาแค่ไหน เ, เวลาเท่าที่เราจะเจียดได้แต่อย่าให้น้อยนักน้อยนักในที่นี่หมายถึงว่าแค่กราบพระสามผลพอและนอนยมนนอนน้อยไปก็แค่ถ้าเรามีเวลาสัก15นาทีอย่างไง้โอเค พอแบ่งเวลาสัก15นาทีนะ15นาทีนั้นถ้าเห็นว่านั่งสมาธิทั้ง15นาทีไม่ไหวก็แบ่งเวลาให้เป็นสวดมนต์ก่อนก็ได้สวดมนต์ก่อนแล้วก็มานั่งสมาธิ5นาทีตอนนั่งสมาธิจะทําสมถะหรือทำพิปัสนาถ้าเริ่มตั้งแต่สวดมนต์นะกำลังสวดมนต์อยู่ถ้าจิตอยู่กับบทสวดมนต์ขณะนั้นกําลังทําสมถะอยู่กับบทสวดมนต์แล้ว เ, เกิดศรัทธาในพระพุทธเจ้า ดังนั้นใจกำลังไหลไปในเรื่องราวเกิดศรัทธาเกิดทั้นั้นจิตเป็นกุศลถ้าเห็นว่ามีความศรัทธาเกิดขึ้นรู้ทันทังนั้นกาลังเจริญสติกำลังสวดไปสวดไปใจลอยเคยไหมสวดไปเนี่ยนะปากสวดอยู่นะแต่ใจไปคิดอย่างอื่นเป็นใช่ไหมพระก็เป็นัง <laughs> <laughs> นั้นไม่ต้องเสียใจยเป็นปกติเป็นปกติเพราะจิตมันหิวอารมณ์ กำลังสวดมนต์อยู่เนี่ยนะมันคอยจะคิดนู่นคิดนี่รู้ทันว่าใจมันลอยไปใจมันเคลื่อนไปถ้าฝึกใจเคลื่อนจากการสวดมนต์ได้นะจะดีมากเลยเพราะเราได้สวดทุกวันแล้วจะเห็นจิตมันเคลื่อนอยู่บ่อยๆทุกวันสวดมนต์อยู่เนี่ยอะไรหั่งซ้ํามาซ้ําไปแล้วนี่ยนะเห็นจิตมันเคลื่อนใช้ได้ถ้าไม่เห็นเคลื่อนเห็นเห็นตอนมันไปคิดอะไรแล้วเนนะก็รู้ทันความเผลอแล้วงานของเราคืออะไรสวดมนต์ต่อ สวดมนต์ต่อด้วยใจสบายๆนั่นแหละถ้ามันไม่ชอบความเผลอเมื่อกี้นี้รู้ทันโทรสะปากก็สวดไปปากสวดไปใจก็รู้จิตที่อยู่กับบทสวดบ้างรู้จิตที่มันเผลอไปบ้างรู้ความไม่เป็นการที่เกิดขึ้นขณะที่รู้หลังจากรู้แล้วบ้างนี่นะทำอย่างเงี้ยสวดมนต์แค่บทเดียวเนี่ยได้ทั้งสมถะได้ทั้งวิปัสนาและได้ทั้งอกุศลในบางบางแวบ <laughs> แต่คุ้มเพราะอากุศลเนี่ย น, นะ มีค่าเท่านี้พอมีสตินะมีค่าเท่านี้และพอสวดมนต์เสร็จแล้วก็มาดูกายนี่นั่งหายใจไม่ใช่ดูลมนะดูกายนี่หายใจถ้าดูลมนั้นจ ะ, ม, นจะมันจะทำให้เพ่งได้ง่ายเช่นมาเพ่งในจุดจุดหนึ่งดูท้องมันก็เพ่งที่ท้องเนี่ยนะมันมันจะมันจะกลายเป็นเพ่งได้ง่ายถ้าถ้าดูกายหายใจมันจะไม่เพ่งดูแบบสบายสบายและให้เผลอได้เผลอแล้วรู้ทันเผลอแล้วรู้ทัน มันต้องสบายๆเหมือนมาคอสเนี่ยคอสสบายๆไม่บังคับให้เดินจงกรมพร้อมกันไม่บังคับให้มานั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะว่าคำว่าสบายเนี่ยมันตรงกับคำว่าสปายะสปายะในภาษาบาลีนะแปลว่าสบายสบายๆเคยร้องไหมเบิร์ดสบายๆคือถ้าสบายแล้วมันจะเอื้อต่อการเจริญกรรมฐานของเราถ้ามันเครียดมันมันมันทรมานกลายเป็นว่า ไม่สบายไม่สบายก็ไม่เหมาะไม่เอืออะไรที่สบายอาหารสบายสมองก็นัอาหารสบายอากาศสบายสบายไหมที่อากาศสบายเพราะปรับอากาศมีอิริยาบถที่สบายสบายที่เหมาะกับเรามีธรรมะที่สบายสบายคือธรรมะที่เหมาะกับจิตของเราพวกเราเป็นช่างคิดก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับคนช่างคิดคือดูความคิด ดูใจดูใจที่เผลอคิดพวกเรามีการพูดคุยที่เป็นสปายะนะภาคเช้าก็คุยกับพระภาคบ่ายคุยกับพี่เลี้ยงเนะี่ยคุยไปก็ได้ความรู้ได้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะแล้วเราก็ไปเลือกเอาสิ่งที่สบายกับตัวเองคือสบายในที่นี้คือทําแล้วเหมาะกับจริตของเราถ้าสบายแบบชาวโลกคือสบายแล้วนอน แต่สบายทางธรรมคือสบายแล้วไม่หยุดพักสบายแล้วไปต่อสปายะของพระพุทธเจ้าคือสบายแล้วส่งต่อให้ทำสบายคือเหมือนเป็นสุขแต่สุขทางโลกคือสุขแล้วขี้เกียจสุขแล้วประมาทสุขในทางธรรมคือสุขเป็นสภาพที่เอื้อให้ทําต่อสบายแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคือสบายแล้วต้องส่งให้ทําต่อไม่ใช่หยุดอยู่แค่ผลของความสบายคือสุขสุขเป็นสภาพเ อ, อื้อ พร้อมพอควรใช้สภาพที่สุขเ อ, อื้อพร้อมพอเนี่ยส่งต่อให้เดินต่อให้กระบวนการมันส่งต่อไปถึงความพ้นทุกข์ส่งต่อปถึงปัญญาแต่ถ้าเราเอาความสุขเป็นเป้าหมายสบายแล้วท่านก็พออันนี้ขี้เกียจความเจริญไม่เกิดถ้าเน้นในเรื่องสมถะเนี่ยมันจะเน้นที่สุขสบายถึงความสุขสบายแล้วพอพอใจก็หยุด มันไม่ส่งต่อไปถึงเอาสมถะนั้นไปใช้ให้เกิดปัญญาตอนนี้เราจะเอาให้เกิดปัญญานะความสบายที่เรามีอยู่ที่คนจัดที่เจ้าภาพก็ทำเลยนะสบายเพื่อส่งต่อให้เกิดปัญญาไม่ใช่สบายแล้วนอนแผ่พักเพราะสบายไม่ใช่เป้าหมายสบายเป็นเหตุทางผ่านสบายก็เกิดดับสบายก็เกิดดับนะเห็นความเกิดดับของมันใช้ได้ถ้าใช้ความสบายไม่เป็น ก็จะใช้ความทุกข์ไม่เป็นด้วยสบายก็ขี้เกียจทุกข์ก็ทับถมตัวเองตอนทุกข์นี่นะคนเป็นทุกข์ก็จะคิดทับถมตัวเองถ้าทุกข์ไม่เป็นแต่คนทุกข์เป็นเนี่ยจะใช้ความทุกข์เนี่ยเป็นเครื่องเตือนตัวว่าอย่าประมาท mm. คนที่ทุกข์คนที่เจ็บป่วยคนที่มีญาติเจ็บป่วยถ้าป่วยเองแล้วหรือว่าญาติ ป่วยแล้วไม่ใช้ความใช้สภาวะนั้นไม่เป็นนะก็จะ ก, กังวลใจทุกทับถมตัวเองบางทีคนอื่นก็ทุกตัวเองทุกด้วยทับถมตัวเองบางทีตัวเองทุกแต่ทุกแค่กายนะทุกกายมันไม่บังคับให้ทุกใจนะพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ก็ป่วยนะภาษาพระเรียกว่าอาพาธนะท่านถ่ายเป็นโลหิต ถ่ายเป็นเลือดคือป่วยป่วยทางกายท่างก็ป่วยได้แต่ใจไม่ป่วยดังนะนั้นที่ป่วยเนี่ยเพราะว่ามีเรียกมีวิบากท่านเคยทำกรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลเอาไว้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังต้องรับวิบากเราก็คงเคยทำทอะไรที่ไม่ดีไว้เยอะและเวลารับวิบากมันวิบากเนี่ยมันส่งให้เฉพาะกายเท่านั้น ทำให้กายเนี่ยป่วยทําให้กายเนี่ยอย่างผู้รัจ้าก็คือถ่ายถ่ายเป็นโลหิตถ่ายเป็นเลือดออกมาพระอนุ์เห็นก็โอ้โหตกใจว่าถ่ายอย่างนี้แล้วเนี่ยสงสัยชีวิตจะไม่รอดชีวิตของผู้รัจจาน่าจะไม่รอดเนี่ยป่วยขนาดนั้นเลยนะก็ป่วยได้แต่ใจไม่ป่ว ย, เ, ยเวลาเราเห็นตัวเองป่วยหรือเห็นคนรอบข้างป่วยเนี่ย ต้องให้ความป่วยนะั้นเป็นเครื่องเตือนใจเราอาจจะยังไม่มีภูมิธรรมเท่าพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ให้ความเจ็บป่วยหรือความทุกข์อันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจไม่ประมาทอย่างเงี้ยโอเคแต่ถ้าทุกข์ที่เกิดขึ้นทางกายของคนอื่นนะของตัวเองเนี่ยถ้าเราใช้ไม่เป็นเราก็จะมีความทุกข์ใจทับถมทวีนะกลายเป็นว่าโดนสองดอกกายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์แย่เลยนะตอนสุขก็ประมาทตอนทุกข์ก็ทับถมตัวเองแย่เลย อย่างนี้เกิดมาเนี่ยสวยสองเด่งตอนสุขก็ประมาทตอนทุกข์ก็ทับถมตัวเองแต่ถ้าเราใช้ความสุขให้เป็นประโยชน์นะตอนนี้มันเอื้อแล้วก็จเจริญวิปัสสนาไปเลยเนี่ยนะตอนทุกข์นี้ก็เห็นทุกข์ตามความเป็นจริงไปเลยว่าอันนี้แหละคือแสดงความจริงให้ดูเราก็ได้ประโยชน์ทั้งตอนที่เป็นทุกข์และตอนที่เป็นสุขสุขก็ไม่ประมาททุกข์ก็เห็นความจริง